ิททานเจสเปอร์ per, คนเลี้ยงกระต่ายก็แล้ครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีราชาของอาณาจักรเล็กๆที่เขาสามารถมองมันได้อย่างทั่วถึงเขารักที่นี่มากราชามีลูกสาวคนหนึ่งและเขาต้องการให้เธอแต่งงานกับชายที่ฉลาดและปราดเปรื่องเพื่อในวันข้างหน้าเขาจะได้กลายเป็นราชาที่ดีแด่รัศฎรของเขาดังนั้นราชา จึงประกาศไปทั่วราชาอาณาจากักรโดยใครก็ตามที่ปรารถนาจะแต่งงานกับเจ้าหญิงจะต้องผ่านเงื่อนไขสองประการประการกาแรกเขาต้องนำไขมุกที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาถวายราชาประการที่สองเขาต้องทำภารกิจพิเศษบางอย่างที่ราชาจะมอบให้ในมิช้าเราลูกชายของคุนนางเจ้าชายลูกชายของพ่อค้าตามมาที่วางเป็นจานวนมาก พวกเขาส่วนใหญ่นำไข่มุกที่งดงามมามอบให้แต่ไม่มีใครสามารถทำภารกิจที่ราชามอบหมายให้ได้เลยพวกเขาถูกส่งกลับไปโดยที่ไม่ได้เห็นเจ้าหญิงในมิชา้าจำนวนคนที่มีศักยภาพมาก็พอเริ่มลดลงราชาเริ่มเป็นกังวลโลกตั้งกว่างยายแต่ไม่มีผู้ใดเหมาะสมกับลูกสาวข้าเลยงั้นหรือ อ้พวกเขาทั้งหมดไม่โ อ, อ้วดก็โง่เขลาหรือไม่ก็ขี้เกียจจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวและอาณาจักรของเราล่ะหากเราจากไปไม่ต้องห่วงลูกที่รักมันต้องมีสักคนในโลกสิที่จะฉลาดพอทำภารกิจที่เรามอบให้ได้นะใกล้ๆกับทะเลในอาณาจักรแห่งนี้ยังมีชาประมงคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายสองคนของเขาพอลและเจสเปอร์พอลเป็นลูกชายคนโต ขี้เกียจและเย่อหยิ่งในขณะที่เจสเปอร์ฉลาดเอาการเอางานและมีเมตตาพอตื่นได้แล้วลูกยังหลับอยู่อีกเหรอเนี่ยดูเจสเปอร์เขาออกไปเตรียมเบ็ดและเรือจนพร้อมแล้วนะพอ่อถ้าท่ดเห็นว่าข้าขี้เกียจและไร้ประโยชน์แล้วมาขอให้ข้าช่วยทําไม่เล่าไปใช้เจสเปอร์โนนเซ่ดังนั้นชาวประมงโชคดีมากๆ อวนของเขาจับหอยนางรมได้กว่า20่ตัวและเมื่อเขาเปิดมันออกเขาก็บพบกับความประหลาดใจเป็นอย่างมากข้างในหอยแต่และตัวมีไข่มุกที่ส่องประกายดุจ ด, ดังดวงดาวในยามกลางคืนเขามั่นใจว่านี่เป็นไข่มุกที่งดงามที่สุดในโลกเขาเรียบกลับบ้านแล้วเอาไข่มุกให้ลูกชายดูไข่มุก20เม็ดที่ส่องประกายราวกับดวงดาวท่านพ่อ ตอนนี้พวกเรามีไข่มุกแล้วทำไมพวกเราไม่ลองไปชีพระราชวังและดูว่าเราจะเอาชนะใจเจ้าหญิงได้ไหมพ่อจะแบ่งไข่มุกให้พวกเจ้าสองคนเท่าๆกันและพอไปลองดูก่อนตามด้วยเจสเปอร์นะดังนั้นพอ่อจึงออกเดินทางพร้อมกับไข่มุกในเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่เขาอยู่ในป่าทัานใดนั้นเขาได้ยินเสียงบางย่าง ไดพรววยพวกเาด้อมองดูรอบๆแล้เห็นว่ามดตัวเล็กๆตัวหนึ่งกำลังไต่มือเขาสวัสดีอยู่นี่แขนของท่านท่านได้โปรดช่วยเราด้วยเถอะพวกด้วงกำลังพยายามแย่งชิงบานของพวกเราเราต้องปกป้องมันแต่พวกเราต้องการความช่วยเหลือไม่งั้นพวกเราจะต้องแพ้แ น, น่ช่วยพวกเราด้วยเราอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านสักวงมดจะช่วยอะไรคนได้แล้วออกไปซะไป ข้ามีบางอย่างที่ดีกว่าต้องทำไม่มีเวลามาไร้สาระกับก า, ารทะเละเล็กๆของเจ้าและพ่อก็เดินต่อไปหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พบกับหญิงชาราคนหนึ่ววัดดีพ่อหนุ่มเจ้าพกอะไรอยู่นะ่ะดูระวังดีเนาะข้าพกขี้เท่าท่านอยากจะได้สักหน่อยไหมเหล่าขี้เท่ากเหรอเออแต่เจ้า พ่อจะมีอาหารบ้างไหมข้าหิวมากเลยและไม่ว่าเจ้าจะไปที่ใดเจ้าจะได้รับการเสิร์ฟอาหารที่นั่นนะข้าบอกไปแล้วข้ามีแค่ขีดเท่าและตอนนี้ข้าต้องไปแล้วข้ามีบางอย่างที่สําคัญกว่าต้องทําดีกว่ามาคุยกับแม่เท่าจมูกยาวนี่พ่อมาถึงพระราชวังและแสดงไข่มุกของเขาต่อหน้าราชาและนักอัญมณีฟาบาท ข้าไม่เคยเห็นไข่มุกที่งดงามเท่านี้มาก่อนในชีวิตพวกมันดูงดงามมากแต่นี่อะไรเนะี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นไข่มุกทั้งหมดเปลี่ยนเป็นขีดเทานี่เจ้ากล้านำไข่มุกปลอมมาให้ทันราทากันเหรอเจ้ากล้ามาเจ้านุม่มข้าผิดหวังมากที่มีชายอย่างเจ้าหายจใจอยู่ในอาณาจักรของข้าออกไป อย่ากรมบายข้าเห็นหน้าเจ้าอีกนะไปซะไปเลยก่อนที่ข้าจะจับเจ้าไปขังในคุกใตดินตลอดชีวิตพอวิ่งออกจากพระราชวังอย่างเร็วที่สุ ด, ออ เ, สดเขากลับมาถึงบ้านและนอนตะแคงบนเตียงของเขานั้นชัดเจนสำหรับชาวประมงและเจสเปอร์แล้วว่าเขาทำไม่สําเร็จเจสเปอร์ตอนนี้ถึงทีของลูกแล้วละ่ะ ดังนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเจสเปอร์ออกเดินทางไปยังพระราชวังในขณะที่เขาท่องเที่ยวอยู่ในป่า เ, ออเขาได้ยินเสียงบางอย่างในโปรดช่วยพวกเราด้วยอใครน่ะเสียงใครกันอยู่นี่อยู่บนแขนของท่านข้าคือราชามดพวกด้วงกำลังจะมาเอาบ้านที่เราอยู่มาหลายปีไปพวกเรากำลังต่อสู้เพื่อปกป้องมัน เมื่อวานนี้พวกเราสูญเสียกำลังปจํานวนมากเราต้องแพน้แน่เขไม่ได้รับความช่วยเหลือท่านได้โปรดช่วยพวกเราด้วยมาเอาบ้านของคนอื่นไปแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยได้ข้าจะช่วยพาข้าไปหาราชาด้วงสิโอราชาด้วงอย่างที่ท่านเห็นนะขนาดของข้าใหญ่กว่าท่านมากและความแข็งแกร่งก็เช่นกัน ข้าแค่แตะรองเท้าบูธเพียงครั้งเดียวก็ชนะกองทัพของท่านได้แล้วตอนนี้ราชามดเป็นเพื่อนข้าและสิ่งที่ท่านทำกับพวกเขาไม่ถูกต้องเลยงั้นท่านจะให้ข้าใช้รองเท้าบูธหรือจะยอมปล่อยพวกมดไปแล้วและไม่มาทำร้ายพวกเขาอีกพวกเราสัญญาจะไม่มายุ่งกับมดอีกฟาบาตราชาแห่งมด ข้าอาศัยอยู่ในกระท่อมข้างทะเลถ้าเกิดพวกนั่วมาสร้างปัญหาท่านอีกแล้วก็แค่ส่งคนไปที่บ้านข้าและข้าจะปกป้องท่านเองข้าสัญญาไม่จำเป็นหรอถอยทับขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครสมควรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร้ความยุติธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนของพวกเราสำหรับความช่วยเหลือท่านเจสเปอร์ผู้ยิ่งใหญ่ข้าขอให้คำสัตว์เมื่อไรที่ท่านต้องการความช่วยเหลือท่านเพียงพูดออกมาว่าราชาแห่งหมดและข้ากับกองทัพจะปรากฏขึ้นเราจะได้ยินมันทุกที่ทุกเวลาเลยขอบพระทัยฝ่าบาทข้าจะจำให้ขึ้นใจเลยเจสเปอร์เดินทางต่อหลังจากนั้นไม่นาน เขาก็ได้พบกับหญิงชราวั ด, ดีพ่อหนุ่มสวัสดีท่านหญิงเป็นยังไงบ้างวันนี้เจ้าพกอะไรมาด้วยนะดูระวังดีนะอ๋อไข่มุกสำหรับราชานะข้ากําลังไปที่พระราชวังเพื่อพบเขาและดูว่าข้าจะชนะใจเจ้าหญิงได้ไหมมอบไข่มุกแด่ราชาเป็นเรื่องง่ายแต่ทำตามภารกิจของเขาให้สำเร็จนั้นยากมาก เจ้าพ่อจะมีอาหารไหมข้าหิวมากเลยและเจ้าจะได้รับอาหารมื้อใหญ่ที่พระราชาวังแน่นอนเมืองก็อยู่อีกไม่ไกลแล้วท่านไปไหวนะขอโชคดีเอานี่ไปตอบแทนความมีเมตตาของเจ้าเอานกวีนี่ไป มันอาจจะดูไม่มีประโยชน์ตอนนี้แต่เมื่อเจ้าเป่ามันทุกอย่างที่เจ้าต้องการจะมาหาเจ้าดูเหมือนจะเป็นของที่ไม่ธรรมดาเลยท่านหญิงขอบคุณมากมากเลยท่านไม่ช้าเจสเปอร์ก็มาถึงพระราชวังและมอบไขมุกแด่พระราชานักอัญมณีและคุณนางต่างปลื้มใจมากข้าไม่เคยเห็นไข่มุกเช่นนี้มาก่อน มันดูสวยงามขึ้นเรื่อยๆเมื่อเฝ้ามองมันนะฝาบาทใช่แล้วมันมหัศจรรย์มากเลยจะได้มันมาจากที่ไหนพ่อหนุม่มพ่อของข้าได้มาจากขอยนั่งรมที่ติดอวนมาฝาบาทอวนดักปลาพ่อจะเป็นชาวประมงเหรอฮะโอ้ขอรับฝาบาทเขาเป็นชาวประมงเขามอบอาหารให้แด่อาณาจักรแห่งนี้ด้วยปลาที่จับได้พ่อข้าทํางานหนักมาก และข้าภูมิใจในตัวเขาดีเล่าพ่อนุ่มพ่อเจ้าทำงานได้ดีเอาละตอนนี้ไปพักได้นะและพรุ่งนี้เราจะทดสอบเจ้าอีกครั้งหนึ่งดังนั้นวันรุ่งขึ้นราชาได้เรียกเจสเปอร์มาและพาเขาไปยังยุง้งฉางที่มีกองเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ผสมปนเปนกันอยู่อย่างที่เจ้าเห็นมีเมล็ดพันธุ์ทาชนิดผสมกันอยู่ในกองนี้ และหากเจ้าสามารถแยกมันออกมาได้เป็นห้า ก, กองก่อนพระอาทิตย์จะตกดินเจ้าก็จะได้ไปทำภารกิจต่อไปพรุ่งนี้แต่หากมีเมล็ดพัน์ในกองใดที่ผิดไปเจ้าก็จะต้องกลับบ้านทันทีตามพระประสงค์ฝาบาทข้าจะทำให้ดีที่สุดดังนั้นราชาได้ล็อกยุ้งช้างเอาไว้ เพื่อไม่ให้ใครไปช่วยเขาได้ปล่อยให้เขาทำภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ตามลำพังเจสเปอร์พยายามลองทำไปหนึ่งชั่วโมงแต่ไม่ชา้าเขาก็คิดได้ว่างานนี้น่าเบื่อเกินกว่าที่เขาจะทำเสร็จได้ในเวลาที่กำหนดโอ้ข้าจะทำยังไงดีเนี่ยมเมล็ดแต่ละอันเล็กกว่ามดและข้าต้องมาแยกอีกเนอเอะเดี๋ยวมดราชาแห่งหมดใช่แล้วเขาบอกว่า ข้าสามารถเรียกเขาได้ทุกเมื่อที่ต้องการโอเคงั้นตอนนี้ละ่ะฟาบาดท่านราชาแห่งหมดข้ามาแล้วเพื่อนอยากบอกมาใส่ใจข้าทาสิ่งใดท่านมาจริงด้วยข้าบอกแล้วว่าพวกเรามาได้ทุกมึ่อเจสเปอร์บอกราชาแห่งหมดทุกอย่างเกี่ยวกับภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ ทำไมท่านไม่ไปพักผ่อนก่อนข่าและคนของข่าจะจัดการงานนี้ให้ในอีกไม่นานดังนั้นราชาแห่งหมดและคนของเขาจึงจัดการแยกมเมล็ดพันธุ์ออกเป็นห้ากลองอย่างมีระเบียบเมื่อราชาเสด็จมาในเวลาที่เขากําหนดเขาตกใจมากที่เห็นว่าไม่เพียงแต่เจสเปอร์ทําสําเร็จเขายังเหลือเวลาไปงีบหลับอีกด้วยเจสเปอร์เจ้าแยกมเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดได้อย่างไงกันเนี่ย เจ้าทำได้ดีมากแต่ว่าพรุ่งนี้เจ้ายังมีอีกงานที่ต้องทำวันรุ่งขึ้นราชาเรียกเจสเปอร์ออกไปที่ทุง่งหญ้าเจสเปอร์นักล่าของข้านะได้จับกระต่ายมาร้อยตัวเพื่อทำการทดสอบนี้เจ้าจะต้องดูแลพวกมันพวกมันจะกินหญ้าในทุ่งหญ้าตลอดทั้งวันและในตอนเย็นหน่งชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตกดิน เจ้าต้องกลับมาที่วังพร้อมกับพวกมันทั้งหมดถ้าแม้แต่กระต่ายตัวเดียวหายไปจะถือว่าเจ้าสอบตกและเจ้าก็จะต้องกลับบ้านไปตามพระประสงค์ฟาบาเจสเปอร์รู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ใครกันจะสามารถควบคุมกระต่ายกว่าร้อยตัวที่สามารถวิ่งไปที่ไหนก็ได้ในทุ่งหญ้าหรือในป่าไกลออกไป แต่ทำไมมันต้องกลับมาหาเจสเปอร์ด้วยเนี่ยเมื่อมันถูกปล่อยให้เป็นอิสระจากกรงของราชาเมื่อพวกมันถูกปล่อยออกมากระต่ายทั้งหมดวิ่งไปที่ทั่วสารทิศจนมองไม่เห็นสักตัวเจสเปอร์ได้เสียงานทั้งหมดไปแล้วเมื่อเขาล้วงเมืองเข้าไปในกระเป๋าอย่างเคยชินเขาพบว่ามีนกหวีดที่หญิงชรามอบให้กับเขาในป่าเขาเป่ามันและกระต่ายทั้งหมด กวิ่งกลับมาหาเขาเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องกลับพระราชวังแค่ใช้นกหวีดเจสเปอร์ก็สามารถกลับมาได้พร้อมกับกระต่ายร้อยตัวครบหนึ่งตัวขอรับฟาบาดเขาไม่อยากจะเชื่อเลยเจ้าฉลาดมากเจ้าประสบความสําเร็จกับภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ฟาบาดจริงๆแล้วข้าไม่ได้ผ่านการทดสอบด้วยตัวเอง ข้าได้รับความช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างไรกันเจสเปอร์บอกราชาทุกอย่างเกี่ยวกับราชาแห่งหมดและนกวีที่เขาได้มันมาจากหญิงชราในป่าท่านเห็นแล้วว่าข้าได้รับความช่วยเหลือข้าไม่ได้ผ่านมันด้วยตัวเองฮึสำหรับข้าถือว่าเจ้าสอบผ่านนะหนุ่มน้อยเจ้าได้รับความช่วยเหลือกลับมา เพราะเจ้ามีความฉลาดและความเมตตาเจ้าจะต้องปกครองอาณาจักรได้ดีแน่นอนแต่เจ้าหญิงจะต้องการแต่งงานกับข้าไหมแน่นอนเจ้าทั้งใจดีมีเมตตาและก็ฉลาดมากเจสเปอร์ข้าจะแต่งงานกับเจ้าและเช่นนั้นเจสเปอร์กับเจ้าหญิงได้แต่งงานกันในงานแต่งที่ยิ่งใหญ่และพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป